มันข้ามผ่านข้ามได้แต่ถ้าเราเดินทางสั้นเกินไปก็ทําให้เราเวียนศีรษะเพราะฉะนั้นทางเดินย่างกลมนะให้ได้ประมาณชักประมาณ20กว่าเก้าเนี่แหละเป็นพอดีพอดีรายงานแตเวลาเราขึ้นทางเดินกลมเมื่อเรากําหนดแล้วเรายืนนะไปทางเดินอย่ากลมถ้าเราเดินจนังกลมทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะเราก็ไปยืนอยู่ทาง ทิศ ต, ตะวันตกแล้วก็หันหน้ามาทางทิศตะวันออกจากนั้นก็ประนมมือขึ้นระหว่างกอกปนมมือหลับตาปนมือไหว้ครูซะก่อนพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆสามจบคือพระพุทธเจ้าก็สจบพระธรรมก็สจบพระสงฆ์ก็3มจบนะพอเราจะเดินจากนั้นเราก็เอามือไหว้อ ย, อย่างนี้นะเรว่าท่าล้ำเพึงลักษณะท่าคิดก็โนไป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 เป็นการแผ่เมตตาทําให้ใจของเราเป็นกุศลไม่เราจะไม่เบียดเบียนผู้ใ ด, ดใครผู้หนึ่งทั้งหมดในจิตใจของเราข้าพเจ้าจงเป็นสุขสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายทั่วโลกจงเป็นสุขเราเดินถึง3ครั้ง3ที่เที่ยวพอเที่ยวที่4ี่เราก็กําหนดใหม่เลยเราก็ก้าวขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทโทพุทโถพุทโทพุทโทพุทโท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 ไม่ค่อยทํากันนะ เ, เรื่องนอนไม่ค่อยทําเพราะนอนเข้าไปมันหลับนี่มีแต่พวกเราทั้งหลายนะเนี่ยนะชอบนอนภาวนาอสองสามกอกแลก้วก็เกลืองั้นแต อ, อชอบพอนอนภาวนางั้นเถแต อ, อแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ชอบนอนภาวนามันหลับเร็วนะทีนี้เมื่อเราเตือนยังกลมเราจะเดินนานเท่าไหร่อันนี้นานเท่าที่จะนานได้นะบางทีสองสมชั่วโมงสีห้าชั่วโมงสุดแท้แต่ บางองค์บางคนก็ถูกกับจริตในการเดินนะเพราะเวลานั่งเข้าไปมันสงกเลยท่านก็เดินเดินมันไม่ง่วงง่ายเพราะฉะนั้นท่านจึงเดินเอาสติอยู่กับขาเก่าวพุทโธพุทโธพุทโธให้อยู่กับตัวเองตลอดนะแต่นีเเ้เวลาเราจะยศจะทํำยังไงเวลาเราจะหยุดไปยืนหยุดที่จุดเก่านะนะั่นอ่ะหันหน้าบางทางทิศตะวันออกเราก็ไหว้ประนมือขึ้นอย่างเก่านะพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ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 จะเข้าสู่ความสงบได้ลึกกว่าเนื่องกว่าตอนี้เมื่อเราเดินยงกมเราพยายามจะให้จิตสงบเนี่ยโดยมากมันจะยากอย่างที่ว่านะั่นนะพอจากนั้นมาพอขึ้นจากทางเดินยงกมถ้าอากาศไม่ร้อนมากนะอากาศเย็นโดยมากจะไม่ร้อนละเพราะว่าเราเดินยงกมแล้วก็มันอากาศมันก็อยู่ในที่โล่งอยู่แล้วนะจากนั้นเราก็ขึ้นมาไหว้พระ กาพุโทโธธรรมโอสังโฆเรายังไม่ทําวัดอนะ่ะพุโทโธธรรมโอสังโฆสามจบจากนั้นก็นั่งคัดสมาะเลยเข้าที่เลยประจําที่เลยนั่งเข้าที่จากนั้นก็กนอนมือขึ้นในระหว่างกกแ ล, ล้วถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อีกจากนั้นก็จะแผ่เมตตาขระพุทเจ้าเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขสองสามเที่ยวจากนั้นก็วางมือลงจะได้กับกำหนดลมหายใจเข้าอะไรจะ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 พอมันเผลอไปพอรู้สติมีสติปับดึงกลับคืนมาแต่ถ้าว่ามันยังเอาอยู่ยากกาหนดลมหายใจมันห่างเกินไปเรากาหนดที่จิตก็ได้กาหนดที่ใจของเราคราวนี้เราใจเราคิดเรื่องอะไรเราจะใจให้เราจะภาวนาพุทโธเราก็เอาสติจับอยู่ที่ผู้รู้คือใจของเรานั่นแะ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 สติจะอยู่กับตัวเองนานนานเท่าที่จะนานพอุสติของเราอยู่นานๆจิตของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายจิตเข้าสู่ความสงบมันอพอจิตอยู่เท่านั้นแหละอพอมันสงบปบั๊บถ้าจะว่ามันเคิมก็ใช่จะว่ามันลืมก็ใช่จะว่ามันขาดสติก็ใช่ในช่วงนั้นคล้ายๆกับมันสงบมัน วางบทคำบริกรรมเนี rockets. มันวางคําบริกรรมทั้งหมดจิตมันหยุดจิตมันวางจิตมันนิ่งขณะนั้นใจของเราจะได้รับความเย็นสบายมีความเย็นสบายเกิดขึ้นว้เแยบบ็นว่าบช่วขณะหนึ่งจิตเข้าสู่ความสงบชั่วขณะหนึ่งอันนี้ว่าจิตเป็นคณิกะสมาธิจิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วต่เนี่ยคณิกะสมาธิจิตเข้าสู่ความสงบชั่วขณะหนึ่งจากนั้นมันก็ถอนออกไป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 อย่าไปคิดว่ามันจะสงบได้ง่ายๆเกิด จ, จิตประเภทนี้เป็นจิตที่รอบรู้เป็นจิตที่ปัญญามีปัญญารอบรู้ในตัวของจิตเองตรงไหนที่มันจะปล่อยวางได้มันจะรู้ด้วยตนเองเออไม่ใช่ว่าจะกลางถนนก็นจะจิตสงบ เ, เธอเลอะทารารถชนตายหมดพวกนั่งสมาธิไม่ใช่อย่างนั้นจิตที่จะสงบได้เนี่ยต้องเป็นที่ปลอดภัยที่สุด ที่เงียบที่สุดเป็นที่เป็นตัวส่วนตัวที่สุดจิตที่จะสงบได้ต้องลักษณะอย่างนั้นจิตประเภทอย่างนี้ที่อัปปนาสมาธินี่นะไม่ใช่ว่าคนผู้ค่ันบวุ่นวายจะไปนั่งที่ไหนก็จิตสงบไม่ใช่มันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นที่ผู้ที่จะจิตสงบนี่ต้อง เ, ออเป็นที่รอบครอบในตัวของจิตเอง ต, ต, ต, ตัวผู้รู้ในขณะนั้นเอง จากนั้นก็จิตสงบถอนออกมาจากความสงบขึ้นมาอุปจารสมาธิก็รู้ได้รู้ได้ด้วยตนเองเอเมื่อกี้นี่ยเราเป็นอะไรไม่ต้องถามใครอสําสหรับผู้ปฏิบัติแล้วไม่ต้องถามใคร เ, เมื่อกี้นี่จิตเราสงบเย็ยนจริงๆมีความสุขจริงๆสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นอรู้เรื่องของกายกับเรื่องของใจ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 วักไม่เชยคนคนไม่ใช่รถอันนี้ก็เหมือนกันใจากายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายใจไม่ใช่กายกายไม่ใช่ใจมันคนละอันกันลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะพยายามทำจิตให้สงบให้ได้นัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและพวกท้างว่าพวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่น ก็จะถึงจุดหมายปลายทางนี้ได้ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเพราะฉะนั้นการเดินโยกรมอย่างที่ตรงพ่อได้อธิบายให้ฟังถึงเราจะอยู่ในบ้านเราก็ทําได้เมื่อลูกหลานเขาพักผ่อนนอนสงบลงแล้วหาที่หลีกเล่นที่สงบในบ้านแล้วก็เดินจยกรมเดินกลับไปเดินกลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นการเปลี่ยน อ, อริยบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแก่ ผู้ที่สูงอายุเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะออกกำลังข้างนอกไม่ได้เดินจงกรมนี่แหละหลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีอายุยืนยาวโดยมากท่านจะเดินพยายามเดินให้มากเป็นการเปลี่ยนริยาบทไม่ใช่กอนและนินกินแลนอนสุขสามประการไม่ลุกไปที่ไหนมีแต่กินและก็ น, นอน อย่างนั้นไม่ได้เลยต่อไปก็เป็นอมภพอมาพาภาตโรคภัยไข้เจ็บแมะเบียนมาเยี่ยมทั้นั้นแหละท่านเองพระนสู่ก็เป็นภาระของลูกของหลานเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคารวะญาติโยมออกตนญาติโยมทุกท่านนะ่นแหลปฏิบัติได้เดินโยมได้ภาวนาได้ทําใจให้สบายทําใจให้สงบไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องต่างๆ เรื่องอะไรมันจะเกิดก็เกิดถ้าคนมีธรรมในใจแล้วจิตใจจะได้รับความลมเย็นผาสุกนะจิตใจของเราจะเย็นสบายมีความผาสุกระลึกถึงอะไรก็รู้สึกมันจะปล่อยมันจะวางได้ถ้าคนมีธรรมะในใจถ้ามากกว่านั้นถึงเมื่อจิตสงบลราจะเดินยังไงอีกต่อไปอันนี้ก็ต้องศึกษาอีกที่ศึกษาก็คือในหลักของ ที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เพียงจิตสงบเท่านั้นยังไม่เพียงพอเพียงแต่ว่าให้จิตพักผ่อนใจพักผ่อนใจไม่ให้หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็นําจิตที่สงบนั้นนะที่าว่าบังคับก่อยช่แต่ว่านําจิตออกไปข้างนอกก็ใยไช่โดยมากท่านจะาว่าบังคับให้มันจิตออกไปพิจารณาเพราะเขาว่าบังคับนั่นคืออะไรโดยมาก ผู้ที่ภาวนาจิตสงบเป็นพื้นฐานจะไม่ชอบออกไปพิจารณาทางด้านวิปัสนาเพราะว่าการออกไปพิจารณาทางวิปัสนานั้นมันเหมือนกับออกไปทําการทํางานมันไม่ชอบจิตใจมันไม่ชอบมันเหนื่อยมันไม่ชอบออกไปข้างนอกมันไม่ชอบออกไปพิจารณาเพราะว่าจงบอก บ, บังคับอือจะบเอาสติบังคับให้จิตคิดนาไปคิดคิดอะไร ท่านในพิจนารณาร่างกายหเห็นได้ชัดๆก็เพื่อพิจารณานเอากระดูกเลยละ่ะทางบอกพวกเราเคยเห็นรูปร่างเห็นกระดูกอยู่ในหนังสือแล้วก็เราไปตามวัดต่างๆบางทีเราก็เห็นเาขาแขวนโครงกระดูกเอาไว้เราก็ไปดู เ, เร็วเราเห็นโครงกระดูกตามหนังสือพงหนังสือพิมพ์หรือหนังสือการแพทย์อะไรก็ตามเราก็ดูอื่น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 แต่มันมีสมองข้างในเราไม่ต้องคิดถึงสมองก็แล้คิดพราเราอยากจะดูะกระดูกอย่างเดียวนะจากนั้นเราก็ไปดูกระโหลกของเรามีต า, าโหวเข้าไปหลุกเข้าไปมีจมกูกอเราเห็นกระดูกจมกนะูกมันโด่งออกมาหนังนะเนี่ยมันมีแต่ส่วนกระดูกมันก็เห็นนะจมูกวิกนะอาจากนั้นก็มีฟันข้างบนนะ เ, เป็นซี่ๆขากรรไกรก็ไม่มีนะเลยขากรรไกรมาอีกส่วนหนึ่งนะเลย จากนั้นพอเอาขาการไกลเข้ามาอีกเนะพอมันเอ็นมันมัดไว้เฉยๆขาการไกลค้มันไม่ใช่ข้างบนข้างล่างไม่ใช่มันจะติดกันนะมันค้งละอานกันแต่มันก็ใช้ส่วนเอ็นขึ้นไปหากันแต่พอแยกจริงๆน่ยมันไม่ใช่กระดูกติดกันมันเป็นขาการไกลออกมาหาขาการไกลข้างล่างก็มีฟันอีกเหมือนกันจากนั้นก็พิจารณาถึงมันติดอยู่ที่ไหนเฉกระโหลกมันติดที่ไหนมันติดลำคอ กระดูกคอเป็นข้อคอเลยมันค้ากันอยู่เลยเนี่ยดังนั้พอกระดูกคอมันติดที่ไหนกระดูกไห้ปลากระดูกแขนมันโยงกันไปหมดเลยลงมาแขนขวาอ่ามันไปแขนขวากระดูกมีข้อหนึ่งอ่ามีป่องหนึ่งลงมากระดูกศอกอ่ามันเหมือนกับที่ขยับขยื่นได้เจาะมากับกระดูกแขนมีช่องชี้จากนั้นกระดูกนิ้วมือ กระดูกฝ่ามือกระดูกนิ้วมือเป็นคอข้อนะนี่แหละกระดูกเราจะพิจารณาแต่กระดูกงั้นจากนั้นเราก็ขึ้นมากระดูกข้างซ้ายกระดูกแขนข้างซ้ายไปยังไงจากนั้นก็ลงมาพิจารณากระดูกสันหลังกระดูกชี้โครงกระดูกเอวกระดูกเชิงกานกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าเราให้เห็นแต่กระดูกในร่างกาย แล้วก็ถามใจของเราว่ากายของเรานี่มีกระดูกยิงอย่างนั้นไหมมันปฏิเสธได้ไหมว่ามันไม่มีกระดูกทุกคนที่นั่งอยู่ ม, มีไหมปฏิเสธได้ไหมว่าไม่มีกระดูกใช่กระดูกแน่นอนที่เรานั่งอยู่ที่เรานั่งได้เพราะกระดูกเป็นโครงแตถ้าถาอดกระดูกออกหมดเนะี่ยมันก็นเป็นหนังหุ้มเนื้อหุ้มอุจจาะปัสวะหุ้มเลือดหุ้มเนื้ออยู่อย่างนั้น ที่เรานั่งอยู่ได้เนี่ยเพราะโครงกระดูกเป็นโครงข้างในในี่แหละให้พิจารณาให้พิจารณากระดูกอย่างเดียวพิจารณากี่ครั้งท่านบอกว่าพิจารณาหลายครั้งตลบไปตรบมาถึงฝ่าเท้าขึ้นบนศีรษะจากศีรษะลงฝ่าเท้าเหมือนกับพลาดนากลับไปกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับมาพิจารณาจนให้มั่นใจจนไม่มีความสงสัยว่าร่างกายเนี่ไม่เป็นอย่างอื่น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 ที่มันหลงทุกวันนี้เพราะหลงกายหลงกายตัวเองก่อนพระาะออกจากหลงกายตัวเองก็หลงกายคนอื่นพระหลงกายคนอื่นก็หลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาสักดหลงไปหมดทีนี้ในเรื่องต่างๆเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้รู้ตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรให้รู้จริงอย่างนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อจิตรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตจะไม่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 ตรงพ่อรับรองเลยร้อยเปอร์เซนต์ที่พูดไปนี้ไม่ผิดเพราะได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมวินัยมาบริบูรณ์แล้วนำมาแนะนำสั่งสอนแก่พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านแต่ก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งบางท่านบางคนเวลานั่งภาวนาขณะที่จิตเป็นอุปจารสมาธินะคณิกะเนี่ยยังไม่เกิดอะไรขึ้น อัปปนาเนี่แปลว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแต่อุปจารสมาธิเนี่ยเป็นจิตที่อยู่กับตัวเองอยังพิจารณายัางรู้เรื่องอะไรได้อยู่แต่จิตอยู่นิ่งกับตัวเองมีสติอยู่กับตัวเองหรือจะพิจารณาอะไรก็ได้นี่แะจิตระดับนี้จะมีนิมิตเข้ามาเะ ว, ว่านิมิตเข้ามาจะเกิดนิมิตคล้ายๆว่าจะเห็นสิ่งต่างๆเข้ามาในระดับหนึ่ง เข้ามาสู่จิตใจแต่ถ้าว่าเราพิจารณ า, าดูแล้วบางคนก็เห็นคนล้มคนตายบัางเห็นคนเก่าบัางเห็นเรื่องอะไรบางบางทีก็กลัวบบางทีเห็นนรกบงังเห็นสวรรค์บัางเห็นต่างๆออสุดแท้แต่มันจะเกี่ยวข้องไปทางไหนอันนี้บอกจิตในช่วงนั้นเป็นจิตเป็นอุปจารสมาธินินมิตจะเข้ามาในเมื่อนิมิตเข้ามาอย่างนั้นเราไม่ต้องกลัว เราไม่ต้องกิตกกังวลอะไรทั้งหมดแต่เราพยายามย้อนจิตเข้ามาหากรรมาฐานเดิมเราภาวนาอะไรเบื้องแรกเบื้องแรกเรากําหนดลมหายใจเข้าออกใช่ไหมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทใช่ไหมพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็เอากําหนดย้อนมาหากรรมาฐานเดิมเลยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเลยพุทโทพุทโทพุทโทพุทธโทอ่านิมิตเหล่านั้นจะหายไปเอง เรื่องต่างๆทั้งหมดจะหายไปไม่ต้องกลัวอันนี้ก็คือบอกเอาไว้ถ้าว่าพวกเราเดินพยายามกำหนดดูที่เมื่อเราเห็นอะไรเราก็เดินเดินเดินดื้อดากำหนดดูไปเรื่อยๆนะนี่มิตรนั้นจะขยายโปงกว้างไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับฉายหนังให้ดูทั้งวันทั้งคืนแต่ฉายหนังดีมันก็ดีนะถ้าฉายหนังไม่ดีมันกลัวไ้เผลอๆเป็นบ้าเข้าไปอีกไกลอีกเพราะนั้นระวังตัวนี้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 อันนี้ก็เหมือนกันน่ถ้าเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราข้องใจตรงไหนที่เรายังไม่รู้เราก็ถามไถ่าถามกูบาอาจารย์อันนี้ก็คือข้อหนึ่งที่โดยมากผู้ปฏิบัติชอบเป็นไปและอีกข้อหนึ่งอีกอันนี้เป็นเพียงชี้แนวชี้แนะอีกข้อหนึ่งบางคนเวลานั่งภาวนากาหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโท ลมมันหมดมันร่นละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเขา้าพ่ที่สุดลมหมดพราะลมหมดร่างกายก็หมดลมก็หมดไม่รู้จะจะกําหนดอะไรก็หายใจขึ้นมาอีกเพราะงั้นเถอพรากลัวลมมันหมดแล้วลมมันหมดกลัวตายก็เท่ากันเพราะงั้นทําไมลบหมดแมทั้งที่กําหนดอยู่พอกําหนดขึ้นมาทีมันก็หยาบขึ้นมาเพราะหยาบขึ้นมาทีคราวหน้าก็มาอีกมันก็หยาบไป อ, อย่างเก่านั่นแหละทีนี้ มันไม่ไปไหนอีกทีนหนพอไปถึงจุดนั้นมันก็หยาบอีกอย่างเก่าอันนี้เ็าขอเตือนขอบอกญาติโยมพวกเราผู้ปฏิบัติทุกๆท่านนะพอมาถึงจุดนี้เมื่อเราภาวนาถึงจุดนี้พอกำหนดพอลมหมดเราไม่ต้องตกใจเราไม่ต้องวิต ก, กกังวลอะไรทั้งหมดให้เราเอาสติกำหนดดูที่ตัวผู้รู้นะั่นแะเอาสติเข้ามาอยู่จุดนั้นบัดนี้ใครรู้ว่าลมหมด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 อันนี้ก็คือแนวแถวทางหนึ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายเคยปฏิบัติและเคยได้ยินบ่อยๆเมื่อภาวนาเข้าไปแล้วเมื่อลมหมดแล้วแล้วจะทํำยังไงก็ตั้งใจสูดลมเข้ามาใหม่อีกจิตใจมันก็เลยหยาบขึ้นมาใหม่อีกเหมือนก็ ต, ตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยๆนี่เพราะนั้นพวกเราให้จำเอาไว้นะคือ2เคสนี่แหละคือเคสหนึ่งครือเคสทิ่มิตเคสที่2ก็คือเ ค, อเคอเสคเลมหมดแล้วก็ตกใจตั้งต้นใหม่ มันก็เลยไม่ไปไหนนี่แหละแต่ทางว่าพวกเราจําสองเงินนี้ได้จากนั้นก็ทําจิตให้สงบได้เมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรจากนั้นก็ถอนออกมาแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่างที่หลวงพ่อแดงอธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายในรับภูรับสาบอันนี้วันนี้ก็คิดว่าถ้าพูดไปมากพวกเราก็คงจะจําไม่ได้สับสนวุ่นวายเพราะนั้น วันนี้ขอพูดจบเพียงต่านี้ก่อนอา้าวต่อไปนี่ก็นั่งสมาธิเลยแหละที่นี่นะ